ภาคนววิธีสะกดจิตตนเองเพื่อใช้ในการรักษาโรคซึ่งหลวงพ่อศึกษาจากด็ตอร์ไมเคิลแฟรงฟอร์และเขียนบันทึกไว้สะกดจิตดูกายสลายโรคแบบวิธีการฝึกสะกดจิตโดยอาจารย์ไมเคิลแฟรงฟอร์ต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 ดวงจิตของฉันจะนอนหลับเป็นสมาธิสติผวังหลังจากนั้นเพ่งดูสองนาทีพูดต่อบอกตนเองว่าหลับเสียหลับหลั บ, ลบแล้วหลับตาลงพูดต่อไปบัดนี้ดวงจิตของฉันนอนหลับเป็นสมาธิสติผวังแล้วฉันจะเอาตัวของฉันกับดวงจิตของฉันเอาติดต่อกับดวงจิตที่สองของฉัน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 หลวงพ่อบันทึกค้างไว้เพียงเท่านี้